พุทโสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะเริ่มรับอรุณกันด้วยธรรมะจากการสนทนาธรรมและมีพระมหาเพ ร, ริปุญโนผู้อำนวยการหลักสูตรฤทธิ์เที่วัตรปาดรณไฮโซอุดรธานีนมาตอบคาถามให้กับพวกเรานะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังการสนทนาพระอาจารย์ก็จะนําพวกเราทุกท่านเนี่ยค่ะเข้าสู่บรรยากาศของการปฏิบัติธรรมจะได้มี สติมีสมาธิในการที่จะเสรธรรมเราไปกราบนมันส ก, การท่านกันเลยนะคะนมัส ก, การกันท่านคะเชิญผ่านก่อนที่จะเริ่มในการฟังธรรมก็ให้น้อมนําธรรมะเน้นมาเข้าสู่ใจโดยเริ่มในการปฏิบัติพระพุทธเจ้ายกย่องเอาไว้ตอนที่พระองค์ก่อนการปริทินผ่านว่าบุคคลใดที่มีการประพฤติ ธ, ธรรมสมควรแก่ธรรมอันนี้ถือว่าเป็นการบูชาพระตถาคตบูชาพระพุทธเจ้าอย่างยิ่ง ถือว่าเราใช้โอกาสในการที่ปฏิบัตินี้มาปฏิบัติเพื่อที่จะบูชาพระพุทธเจ้าปฏิบัติเพื่อที่จะทําให้จิตใจของเรานั้นมันดีขึ้นสูงขึ้นโดยการเริ่มให้เรามารู้ถึงลมหายใจของเราคาว่ารู้ถึงลมหายใจนั้นก็หมายถึงว่ า, ามารู้สึกถึงสัมผัสที่เกิดขึ้นจากการที่ลมหายใจของเรามันผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโรงจมูกเรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ที่ไหนเอาจิตของเราตั้งไว้ ณที่ตรงนั้นจิตที่ไปรับรู้ลมหายใจนี้บางทีมันก็ไปรับรู้สิ่งอื่นด้วยเดี๋ยวรับรู้ความคิดบ้างก็จิตนี่แหละเดี๋ยวไปรับรู้เสียงที่กําลังได้ยินอยู่นี้ก็จิตนี้นั่นแหละเดี๋ยวไปรับรู้ความคิดที่ผ่านมาในใจอาจจะรับรู้ถึงอุณหภูมิห้องที่เย็นหรือร้อนก็จิตนี้แหละที่ไปรับรู้ผ่านทางหูผ่านทางกายแล้วก็อีกเหมือนกันที่มารับรู้ลมหายใจนี้ผ่านทางกายนี่เหมือนกัน การที่ไปรับรู้นี้เพื่อที่จะให้จิตนั้นอย่างน้อยมีที่ตั้งที่ระลึกถึงเพราะว่าถ้าจิตมันแล่นวิ่งไปทั่วตามความคิดตามเสียงตามอะไรบ้างบางทีมันก็จะพาให้เราสุขบ้างทุกบ้างแต่ถ้าจิตของเรามีที่ตั้งที่ระลึกถึงอยู่ณที่ใดที่หนึ่งการที่จิตมีที่พึ่งอย่างนี้ทำให้จิตนั้นมีประสิทธิภาพมีความเป็นรมันเดียวสามารถที่จะมีพลังได้ พลังที่เกิดขึ้นจากจิตที่เป็นอารมณ์เดียวนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่น้ําไหลลงมาจากที่สูงแต่บอกว่าขอบคันมีคนไปขุดไปเจาะไปทําร่องเอาไว้น้ําที่ไหลลงมาจากที่สูงเนี่ยแทนที่มันจะแรงและเร็วมันก็รั่วไปทําขอบคันต่างๆแต่ถ้าบอกว่าขอบคันนั้นอุดไว้อย่างดีน้ําที่ไหลลงมานั้นก็จะเร็วก็จะแรงสามารถที่จะพัดพาสิ่งต่างๆไปได้จิตของเราก็เหมือนกัน มันอาจจะมีความคิดนึกอะไรผ่านมาความรู้สึกใดๆเสียงใดๆให้จิตของเรามีที่ตั้งลกลมไหยใจอย่าให้มันไหลไปตามทางนั้นมันอาจจะแบบพยายามจะไปแต่ถ้าเรายังไม่ลืมหลงลมไหลใจยังรู้ลมไหลใจของเราอยู่ <c oughs> ก็ชือว่าจิตเราก็รวมเข้ามารวมเข้ามาการรวบรวมจิตตั้งสติขึ้นนี้จะนําจิตให้เป็นสมาธิได้จิตที่เป็นสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าจะสามารถเห็นตามที่เป็นจริง สมรถะคือสมาธิเนี่ยที่เมื่อบุคคลเจริญแล้วจะทำให้จิตนั้นเจริญจิตที่เจริญแล้วจะละราคะได้จิตที่เจริญมีพลังแล้วสามารถที่จะเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงในเรื่องของกายนั่นเองเห็นตามที่เป็นจริงในเรื่องของความรู้สึกด้วยเห็นตามที่เป็นจริงในเรื่องของความคิดนึกการปรุงแต่งต่างๆพูดง่ายๆก็คือเรื่องรูปเป็นเรื่องของทางกาย เรื่องของความรู้สึกก็คือเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณคือในขันทั้งห้านั่นเองเห็นตามที่เป็นจริงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกองไม่เที่ยงเป็นกองที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ไปตามเหตุตามปัจจัยสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นกองไม่เที่ยงคือมีลักษณะของความเป็นอนัตตาภูมิปเจติได้เคยพูดย้ำซ้ำทบทวนอยู่เป็นประจำว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเราจะเห็นความเป็นอนัตตาในกายของเราในความรู้สึกจะเป็นสุขตามเป็นทุกข์ตามจะเราเข้าไปรับรู้รับทราบผ่านทางตาทางหูเหล่านี้ได้จิตเราจะต้องมีความเป็นอารมณ์เดียวมีความเป็นอารมณ์เดียวแล้วจิตมีกาลังแล้วเจริญวิปัสสนาให้มีการเห็นตามที่เป็นจริงวิปัสสนาเมื่อเจริญแล้วปัญญาจะเจริญปัญญาเมื่อเจริญแล้วจะละอวิชชาได้ พอละอวิชาได้มีความจางคลายมีความลดลงไปของเจ้าอวิชาพวกนี้แล้วจิตเราก็จะค่อยมีความสว่างมีความสุดใสมีวิชามีความรู้เห็นตามที่เป็นจริงเกิดขึ้นความรู้เห็นตามที่เป็นจริงที่เราเห็นอยู่ตามผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราตื่นเช้ามาวันหนึ่งมีความรู้สึกมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเบชนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ ไม่เที่ยงมีความเชื่อมีจิตน้อมไปอย่างเนี้ยเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าให้ชื่อว่ายังลงสู่สับุริสภูมิคือภูมแห่งคนดีละยังลงสู่สมมตตานิยามคือระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องเป็นผู้ที่ชื่อว่าเป็นคนประเสริฐเป็นอริยะบุคคลละเป็นผู้ที่มาตามแนวทางที่ถูกต้องมาตามทางที่เป็นกระแสที่จะไปสู่นิพพานเราตั้งสติของเราขึ้นไว้อย่างนี้จิตเป็นสมาธิแล้วเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริง เราสามารถที่จะปฏิบัติต่ตอเนื่องต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นขณะที่ทํางานกับรถหรือว่าไปโรงเรียนหรือทำกิจการงานใดๆก็ตามเราสามารถตั้งสติไว้อย่างนี้ได้จนปอนต์สาธุค่ะพูดถึงที่ท่านได้กล่าวว่าสามารถจะตั้งสติแบบนี้อืแ ม, ม้แต่ไปท่าขับรถได้สิฉันได้ได้อา่านการตอบคําถามของพระวิปัสสนาอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะ ท่านก็ได้พูดถึงการที่จะเจริญสติเนี่ยคะ่ะอท่านก็จะสอนในลักษณะที่ให้เจริญอาณาปานาสติแล้วพอหลังจากนั้นก็ได้กล่าวถึงการที่สามารถที่จะทําในอิริยาบทอื่นได้แต่พอมาถึงอิริยาบทอื่นโดยเพราะท่านยกตัวอย่างการขับรถเลยนะคะออืว่าอาจไม่เหมาะกับการที่รู้ลมหายใจเพราะว่าเมื่อได้เจริญสติไป จนถึงมีสมาธิเนี่ย อ, อาจจะทำให้สมาธิมันอยู่กับกับลมหายใจนะจนกระทั่งไม่ได้อยู่กับการขับรถอืมในเรื่องนี้เวลาที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยคือถ้าเราทำกิจการงานใดๆอยู่ไม่ว่าจะพูดอยู่อะไรอยู่เนี่ยเรารู้ลมหายใจไปด้วยได้แน่นอนแต่นี่ว่าพอเราตั้งสติไว้คำว่ารู้ลมหายใจเนี่ยคือหมายถึงเจริญสตินะเจริญสติรู้ลมหายใจนี่คืออาณาปานาสติ ทีนี้พอเราเจริญอานาปนานสติแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสมาธิแน่ทีนี้สมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่ามันจะลึกหรือมันจะไปสนใจในเรื่องใดถ้าเพราะว่าเราจิตรวมลงมากๆเลยในใจแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจเรื่องอื่นบางทีขับรถอยู่มันก็ไม่เหมาะในการที่จะทําให้จิตไปสมาธิแบบนั้นนนี่คือเป็นผลที่เกิดขึ้นของการเจริญสติแต่ว่าสติยังไงคุณจะต้องตั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นจุดที่เราตั้งสติเอาไว้ เพื่อที่จะให้เกิดเป็นสมาธิเนี่ยตรงนี้เราควบคุมได้ไงอยู่ที่ว่าเราควบคุมว่าจะให้สมาธิของเราเนี่ยมันไหลลึกเล็งไปที่ไหนซึ่งในขณะที่ถ้าเราทํากิจการงานอย่างอื่นอยู่ทํากับข้าวกวอยบ้านดูบ้านหรือว่าขับรถเนี่ยเราก็ให้สมาธิเนี่ยรวมอยู่ในการงานนั้นในขณะที่จิตเนี่ยมีสติอยู่กับลมอันนี้ที่ายมาหมายถึงนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราควบคุมได้ว่าเราจะให้สติที่เรามีเนี่ยพาให้มีสมาธิไปในอะไร นี่ก็ไได้น ะ, ะเพรา ะ, ะนั้นถ้าเราพาให้สมาธิไปในเรื่องที่เราทำอยู่ในขณะที่เราเจริญอนาปนานสติอันนี้สามารถทำได้อันนี้ก็อาศัยการฝึกบ้างนะค่ะซึ่งต้องทำทำให้ถูกควรจะทำให้ถูกใช่ใช่ที่จะเจริญสติและใช้สมาธิไปกับการมีสติในการทำกิจการงานนั้นใช่ใช่ ก็เท่ากับว่าอย่างกับบางคนไม่รู้จักเรื่องสมาธิเลยนะคะแต่ก็มีความเชื่อหรือว่าอาจจะได้รับการบอกกล่าวมาว่าต้องมีจิตใจจดจ่อกับการกระทํากิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะทําให้กิจการนั้นเป็นไปได้ด้วยดีก็คล้ายๆกันถูกต้องถูกต้องคล้ายๆกันคือสมาธิเนี่ยเป็นผลของสติใช่ไหมตอนนี้สติที่เรากำลังพูดถึงเราใช้เครื่องมือคือลมหายใจ เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดสมาธิเป็นผลใช่ไหมตอนนี้พอผลคือสมาธิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถควบคุมผลตรงนี้ได้ว่าจะให้สมาธิเนี่ยอยู่ในเรื่องอะไรทนี้พอเราควบคุมได้ฝึกอย่างจานานแล้วมันก็ควบคุมได้ล่ะจะไปในการทํางานจะไปในใจไม่สนใจใดๆเลยก็ได้เหมือนกันได้ทั้งนั้นค่ะทีนี้เมื่อสักครู่ได้ฟังท่านพูดถึงเรื่องของการฝึกสติแล้วก็มีการพูดถึงอ่าพวก ธรรมะต่างๆอเรนเองได้เห็นคําถามของท่านฟั่งที่ฟังท่านอาจารย์ทางออนไลน์คุณสุชีพก็ได้ถามคําถามน่าสนใจและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายที่ตั้งใจศึกษาธรรมะของพระศ า, ศาสดาแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีโอกาสที่จะอยู่ในวงสนทนากันอย่างวงสนทนาคําของพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเรียกว่า เป็นกิริยาของการปฏิปุตฉาวินีตาโน อ, อะไรนะคะโน <No S 2> อุเจตวินตาใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะตตัง้ตงเพราะเดี๋ยวนี้ดิฉันจะเห็นหลายคนมากเลยเขาตั้งกันเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็สนทนากันทีนี้พอในการสนทนากเกิดสงสัยกันเองคะ่ะว่าไอเราเข้าใจถูกไหมหรือว่าเพื่อนเราเข้าใจถูกหรือเปล่าเพราะว่าเห็นไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ อ, มอย่างกรณีของคุณสุชีพเนี่ยก็คงจะตั้งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ ขันห้าเป็นทุกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกออืแล้วก็เลยถามคําถามถ้าอาจารย์ว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสไว้อย่างนั้นหรือไม่เพราะในหัวข้อสนทนามีการพูดถึงเรื่องของธรรมะต่างๆแล้วก็เอาไปรวมอยู่ในขันโน้นขันนี้เช่นสติและปัญญาอยู่ในสังขารขันจิตในวิญญาณขันอวิชชายอยู่ในเวทนาขันก็สงสัยว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสอย่างนั้นหรือเปล่าว่าธรรมะทุกอย่างที่ บัญญัติขึ้นจะต้องบรรจุลงได้ในขันห้าขันใดขันหนึ่งเท่านั้นซึ่งดิงฉันทราบว่าท่านเนี่ยได้ตอบไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ยังไงก็ขอฟังอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าพอต่อไปนี่ก็ดูเหมือนกับว่าคุณสุชิยยังมีคำถามมาต่ออีกนะคะว่าตามที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาตอบไปแล้วก็ได้กล่าวตามพุทธพจน์ว่าอุ ป, ปาทานขันคือกองทุกก็จึงสงสัยขึ้นอีกว่า ถ้าเขากล่าวว่าสติปัญญาก็เป็นทุกขสังขารทั้งหลายก็เป็นทุกขเป็นอนิจจังทรรมทั้งหลายชาวพุทธที่ศึกษาธรรมะจะรู้ก็เลยว่าล้วนจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมคะสติปัญญาก็ดับได้เขาก็เชื่อว่าสติปัญญาก็เป็นทุกดังนั้นก็ควรจัดลงในขันห้าได้ตัวคุณสุชีต้องการตอบคำถาม ให้ถูกต้องก็อยากจะไปสนทนากับเพื่อนต่ออย่างถูกต้องจึงกล่าวเรียนถามตั้งมาค่ะโอเคเราก็ไปทีละประเด็นก่อนเอาได้ก่อนว่าบุคคลที่มีการสนทนากันในคําของพระพุทธเจ้าคําของตถาคตเนี่ยเป็นเรื่องดี จ, จะอ่านพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ได้แง่มุมได้ประเด็นอะไรก็มาพูดคุยมาปฏิบูชากันมาทําความเข้าใจกันบางคนอาจจะเห็นประเด็นนี้อีกคนหนึ่งอาจจะเห็นประเด็นโ น, น้นก็จะทําความจำแจ้งขึ้นมาได้ทีนี้ในในการที่เราศึกษาทําความเข้าใจเนี่ย พออีมุมประเด็นต่างๆแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงประสูตรแตตรงเนี้ยเผ่คนที่มีการลิงก์การเชื่อมโยงกันว่าอ๋อตรงนี้ไม่เที่ยงพระพุทธชาติตรับไว้ตรงนั้นเแสดงว่าอันนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันก็เลยมารวบรวมกันจึงไม่มีคนที่มีความเข้าใจหรือว่าอนุมานไปจากการลิงก์เชื่อมพระสูตรเนี่ยบอกว่ า, าสติปัญญาเนี่ยมันก็อยู่เป็นลักษณะว่าไม่เที่ยงเหมือนกันนะมันก็น่าจะจัดลงในขัน5ได้ ทนี้ในเรื่องของเอาคําว่าขันห้าก่อนนะคุณโยมติวนะเพราะว่ามันมันไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาบาลีลเพราะนั้นก็จึงจะมีคนอธิบายว่าขันห้าคืออะไรเขาจะอธิบายว่าโอ้ก็สรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แหล ะ, ละจัดรวมลงในขันห้าได้หมดก็เลยพยายามจะจัดทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยลงในขันห้าหมดตรงนี้มันจึงพลาดตรงนี้เนืเพราะว่า<ม>ใช่อยู่ที่เราเห็นทุกอย่างตรงเนี้เป็นขันห้าเขาก็จะพยายามจัดนะศีลดินน้ําไฟลม มากองรวมกันอันนี้ว่ากองรูปเรียกว่ารู ป, ปขันขันนี่แปลว่ากองนะสิ่งไหนที่เป็นความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างทางตาทางหูเอามากองกองรวมกันจัดเป็นหมวดหมู่เดียวกันหมวดหมู่นี้เรียกว่าหมวดหมู่เวทนาหรือว่าเวทนาขันอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ก็เลยพยายามที่จะจัดว่าไอ้ไอ้ความสมาธิของฉันหรือว่าสติของฉัน้มันก็น่าจะ จ, จัดลงในพวกนี้ได้บ้างตรงนี้คือประเด็น แว่ามันทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะว่าถ้าผมว่าเราเอาเรื่องของศีลสมาธิปัญญาในที่นี้คุณสุชีพูดถึงสติปัญญาพูดง่ายคือมักรแ8มักรกเนี่ยไม่ได้จัดลงอยู่ในขัน5ไม่ใช่มักรแคือมนะักร8ประยะ ส, สีคุณหยเดิยวจำได้นะต้องได้มากันแต่เด็กๆใช่ไหมทุกสมูทไทยนี่รดมกักนระทุกสมูทไทนีรดมกักทุก็คือขันห มรคมรคคือมรค8คือศีลสมาธิปัญญาทางพ้นทุกข์ใช่มันเป็นคนละอันกันเป็นคนละอันกันพระพุทธเจ้าจัดแยกกันพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าศีลสมาธิปัญญาจะต้องรวมลงในขันท่าหรือไม่ได้มีพุทธพจน์ตรงไหนที่บอกว่าธรรมะทุกอย่างจะบรรจุลงในขันท่าได้อันนี้ไม่ใช่พุทธพจน์แน่นอนแต่สิ่งที่เป็นพุทธพจน์ก็คือว่าอุปทานขันท์ทั้ง5้าเนี่ยคือกล่องทุกข์ทุกทั้งหมดเนี่ยพูดได้โดยย่อๆแยกได้ ก็คือเป็นขันห้าอันนี้เป็นพุทธพจน์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราจะเอาสติอย่างเงี้ยไปจัดลงในขันห้าเป็นทุกข์อย่างเงี้ยจะทำให้เราปฏิบัติผิดเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าสติเป็นทุกข์เนี่ยไอ้ทุกข์นั้นฉันจะไปเอาทําไมฉันก็วางความทุกข์สิเออถ้าเราจะวางความทุกข์เงินฉันก็ไม่ปฏิบัติสติหรอกฉังก็ไม่ปฏิบัติปัญญาหรอกมันจึงผิดกันไงจึงไม่ใช่พระพุทธเจ้าจึงแยกสิ่งที่เป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเนี่ยออกมาไว้เป็นกล่องมรัก แล้วบอกว่ากิจที่ควรทําในเรื่องของมาร์กก็คือทําให้มากๆและสิ่งกิจที่ควรทําในอริยสัจสเนี่ยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันคือกิจที่ควรคทําในเรื่องของทุกคือทําความเข้าใจคือขันห้าทำความเข้าใจมันกิจที่ควรทําในเรื่องของมาร์กคือทําให้มากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาร์กไปรวมกับทุกไปรวมกับขันห้ามันจะทําให้การที่เราไปกระทํามันน่ยมันผิดพลาดไปพอผิดพลาดไปแล้วทำให้มีการปฏิบัติผิด อย่างหลายๆคนที่เขาจะพอเขาไปนั่งสมาธิอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็คิดว่าเฮ้ยสมาธิเอมีเป็นเวทนามีความสุขเวทนา <c oughs> ก็เลยคิดว่าสุขเวทนากับสมาธิเป็นอย่างเดียวกันเพราะมันเกิดขึ้นพร้อมกันอา้าวพอวันหลังไม่ได้สุขเวทนาก็เลยคิดว่าฉันไม่มีสมาธิหรือว่าสมาธิฉันเสื่อมก็เลยไม่ปฏิบัติแล้วจะไม่ได้ละพอไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้มันก็เลยตามความเข้าใจผิดเกิดขึ้นแต่ทีนี้เราปฏิบัติสมาธิเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาสุขเวทนา แต่เราปฏบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพื่อให้ใหละตัณหานี่คือประเด็นละตัณหาเนี่ยตัณหาเนี่ยคือสมุทัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรล ะ, ละอวิชชาเนี่ยคุณจะไปจัดลงในขันห้าไม่ได้เลยเพราะว่าอวิชชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องละแต่ถ้าเราบอกว่าอาวิชชาเป็นเวทนาโหกิจที่ควรทํามันต่างกันนะกิจที่ควรทํามันต่างกันเพราะว่าอาวิชชาตัณหาพระพุทธเจ้าบอกว่ากิจที่ควรทําในเรื่องของสมุทัยเนี่ยต้องรีบละมันเสีย เดี๋ยวมันมาใส่รวมกันแต่มาเข้าใจอยู่ว่าเวลามันเกิดขึ้นธรรมะต่างๆอะไเกิดขึ้นเนี่ยที่เขาพยายามจะจัดรวมกันเนี่ยเพราะมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันแต่ถ้าเราต้องการจะเปรียบเทียบตัวอย่างอย่างเช่นว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยนะมันก็มีเชื้อโรคอยู่แต่มีเชื้อโรคอยู่คุณก็เอายาเนี่ยใส่ลงไปในกายด้วยเชื้อโรคก็อยู่ในนี้กายเราก็อยู่ที่นี่แล้วก็ยาก็อยู่ในนี้แต่เพราะฉะนั้นเชื้อโรคมันอยู่ตรงไหนยามันก็ต้องอยู่ตรงนั้นอะ เชื้อโรคมันทำลายตรงไหนยามันก็ต้องเข้าไปใส่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นขัน5้าเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับตันหานะยาที่เป็นเหมือนมักแ8ก็ต้องมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่ว่า3มอย่างนี้ทำหน้าที่แตกต่างกันนะขัน5้าเป็นตัวที่แบบให้อย่างอื่นมาเกาะได้หมดสมูทไทยเป็นตัวที่จะทำลายเป็นตัวที่จำดึงขันห้าให้มันตกต่ำดึงจีก็เราให้ไปในทางไม่ดีเป็นอขุศ ร, รธรรมมักแ มาทําหน้าที่อีกแบบหนึ่งเพื่อที่จะขจัดไอ้เจ้าตันหานี้ออกไปจากขันหานี้เพราะฉะนั้นการทําหน้าที่มันต่างกันแต่ว่าเวลามันเกิดขึ้นในเวลาที่เราไปเห็นมันเนี่ยมันจะเห็นอยู่ด้วยกันอะอวิชาก็เกิดในจิตนั่นลแหละสติก็เกิดในจิตนั่นแหละบางทีก็มีเวทนาเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามนนึนคือไม่เข้าใจว่ากิจที่ควรทำต่างกันเนี่ยจะทำให้การปฏิบัติมันยุ่งเหยิงรบริชาเปรียบเทียบเหมือนกับว่า กลุ่มได้ที่ได้มันพันกันอย่างนี้นะไม่รู้อันไหนต้นอันไหนปลายพันยุ่งมั่วอลุนตุนังไปหมดหรือว่ า, เ, าเปรียบเหมือนกับรังนกรังนกเวลาที่มันหล่นลงมาเราอาจจะเคยเห็นเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่ยุ่งไปหมดทั้งเศษหญ้าเศษใบไม้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแยกแยะเอาไว้ให้แต่เป็นการเทศกันแรกเลยเรื่องของธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่พูดว่ า, <Okay. S 1> วาธรรมจทั้งหมดเนี่ย ต้องแบ่งได้ในอริยสัตจสี่จะจัดลงตรงนี้ได้แน่นอนท่านพระสาะรีบุตรเปริเหมณอนกับรอยเท้าช้างนะรอยเท้าช้างจะไม่มีรอยเท้าสัตว์อะไรใหญ่ไปกว่ารอยเท้าช้างธรรมะอันนี้ก็คือมรรคแปดธรรมะนี้คืออริยสัตว์สี่ถ้าเราจะยกตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะจัดธรรมะอื่นๆลงไปนะเป็นอย่างนั้นนั้นก็เท่ากับว่าต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่า ในสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้เรื่องใหญ่คืออริยสัจสี่นะคะแล้วก็ในแต่ละอริยสัจนั้นน่ะความหมายที่แท้จริงหมายถึงอะไรถูกไหมคะเพราะว่าวันนี้เราคุยถึงเรื่องของขันห้าขันห้าซึ่งมีพุทธพจน์ระบุไว้เลยว่าเป็นความทุกเป็นความทุกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั้นคือทุกเพราะนั้นต้องทำความเข้าใจจงคะต้องต้องทำความเข้าใจให้รู้ในทุก ว่าอะไรคือความทุกข์นะคะถ้าเป็นไปตามที่ท่านอาจารย์เคยพูดในรายการนี้ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาสักสามเดือนนั่นไหมคะที่ท่านมาแสดงธรรมที่กรุงเทพนะคะใช่ใ่ก่อนเข้าไาแสดงธรรมในเรื่องนี้แล้วก็ได้พูดว่าทุกข์เป็นเรื่องที่จะต้องรู้รอบถูกต้องนะคะแล้วก็คําถามของคุณสุชีตเนี่ยก็ถามว่างั้นเมื่อเรามาพิจารณาถึง ทำทำของสรรพสิ่งในโลกอืว่ามันมีตรายรักของของเขาอยู่ก็คือทุกอย่างเนี่ยมันมีความมันเป็นเรื่องของอันิีจังนะคไม่เทียเท่ยงซึ่งเป็นความทุกข์แล้วก็เป็นเป็นอนัตตาใช่คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปไม่ใช่ตัวตนนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยเข้าใจใว่าทุกอย่างในรวมลงไปในความทุกข์ใช่ใช แต่ว่าเป็นไม่ถูกต้องนะคะต้องแยกให้ถูกเข้าใจอริยสัจ4ี่ให้ชัดเจนทุกอริยสัจตอนนรกธรรมาก็คิดอย่างนี้เหมือนกันตอนสมัยที่มาศึกษาธรรมารักแรกอะนะอ๋อใช่ใช่สัญญาสตินี่มันอยู่ในสังขารขันก็มีความเข้าใจอย่างนี้เหมือนกันสมาธินี่ต้องอยู่ในสัญญาขันเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าสมาธินี่ก็เป็นสัญญาประเภทหนึ่งอย่างเงี้ยนะก็เออมัน่าจะจัดลงได้นะเพราะว่าสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันสิ่งนด้ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก สิ่งนั้เป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเอา้าชื่อมันบอกอยู่แล้วแล้ก็เลย ค, <ะ>คิดไปอย่างนี้เหมือนกันตัวอะไมาเองก็คิดมบบนี้เหมือนกันตอนแรกๆน ะ, ะแต่พอมาค<ะ>ใคร่ครวญจริงๆเนี่ยมันมันไม่ใช<ะ>่เพราะว่าในพระสูตรคําที่บอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เนี่ยเราต้องไปดูบริบทของพระสูตรนี้ทั้งหมดก่อนพระพุทธเจ้าจะเริ่มมาเลยบอกว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระก็จะบอกว่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้เนเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าคําว่าใดตรงเนี้ ไม่ใช่ว่าหมายถึงอะไรอะไรก็ได้นะคําว่าใดตรงนี้หมายถึงรูปนั้นที่พูดเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะระบุชัดเจาะจงเลยไปเลย ว, ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเนี่ยใดเนี่ยหมายถึงเฉพาะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเท่านั้นไม่ใช่หมายถึงสติไม่ใช่หมายถึงปัญญาอันนี้เป็นรูปประโยคภาษาบาลีเลยนะยะตากเนี่ยนั้นใดเนี่ยพอคุณแปลมาเนี่ยนั้นใดเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ยกมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วต้องหมายถึงตัวนั้นไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ นี่นะอือค่ะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งในประเด็นที่สองที่พูดถึงว่าอสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทีนี้ถ้าบอกว่าเราจะเหมารวมหมดเอาว่าสติปัญญาก็เถียงไม่ได้นะว่ามันไม่เที่ยงใช่มันไม่เที่ยงเพราะว่าเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้เคยมีสติเดี๋ยวนี้เราก็มีสติมาใช่ไหมเอยสมาธิเราเคยมีบางทีมก็เสื่อมไปนะต่อหน้าต่อตาบางทีก็มีเออมันก็ไม่เที่ยงสิอันนี้แน่นอนเลยว่ามันไม่เที่ยงนะแต่ถ้าเราจะเหมาว่าอะไรที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันคือทุกหมด เราจะเหมาอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพระพรุทธเจ้าเคยตรัสไว้ไงแต่พูดถึงอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาทุกขสัญญาหรือแม้แต่อสุบสัญญาพวกนี้คือสัญญาหมดเลยนะคุณโยมติวสัญญาหมดเลยนะแล้วไอ้พวกนี้เป็นสัญญาเนี่ยมันคือความหมายรู้อะเอาแต่ทําไมบอกให้เจริญให้มากอะ่ะทําไมบอกว่าไอ้พวกนี้เป็นส่วนแห่งบิ ช, ชาแต่ทั้งนั้นที่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่จึงเอาจึงเห็นแพทเทิร์นตรงนี้ เดีริเจ้าแยกออกมาส่วนหนึ่งแน่นอนแหละอะไรก็ไม่เที่ยงแ่ะแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วถ้าเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งหรือพร้อมนิพพานแยกออกมาเรียกว่ามรึกเรียกว่าทางอันนี้ต้องทําให้มากๆนะแล้วตัณหาเนี่ยเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะคุณโยมตดี่วเออบางทีเราก็มีความอยากมากขึ้นลดลงเออมันก็ไม่เทียมกันนะตามแต่โฆษณาหรือตามแต่อาหารที่เขาเสิร์ฟมาถ้าชอบมากก็อยากมากถ้าชอบน้อยก็อยากน้อยเออความอยากเราไม่เที่ยงถ้าเราจะเหมาว่าความอยากไม่เที่ยงนั้นก็ ก็รวมเมารวมเป็นทุกเลยมันไม่ใช่ไงเพราะว่าถ้าอะไรที่มันไม่เที่ยงแล้วมันจะทําให้อักกุศลธรรมมันเกิดขึ้นเป็นทางแห่งความรุ่มหลงความกําหนัดอันนี้ต้องรีบละทิ้งเลยแยกออกมาเป็นส่วนสมุทยัยเดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูแค่ว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็ทําเหมือนกันหมดอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเปเหมือนกับว่าในกายของเรานะ่ยมันมีทั้งเชื้อโรคมีทั้งเม็ดเลือดขาวมีทั้งพวกไวรัสแบคทีเรียอะไรต่างๆเนี่ย เราจะหมายว่าเออก็เหมือนกันหมดมันมันจะไม่ได้เพราะมันมันมีการทำงานที่แตกต่างกันหรือเปรียบเหมือนกับว่าเราเปิดร้านขายของนะเปิดร้านขายของแล้วมีคนเดินเข้ามาในร้านของเราเราจะเหมาวรวมว่าคนที่เดินเข้ามาในร้านของเราเนี่ยเป็นลูกค้าทั้งหมดไม่แน่เพราะว่าถ้าลูกค้าเราก็ขายของใช่ไหมเขาเอาเงินมาให้เราแต่ถ้าเป็นซัพพลายเออร์เราซื้อของเขาเขาเอาของมาส่งอันนี้เราต้องทาอีกหน้าที่หนึ่งกับเขาแต่ถ้าเป็นโจร จนถือมีดเข้ามาจะปล้นโหเราก็ต้องทําอีกแบบหนึ่งจะไปเหมือนกันว่าโอ้เป็นคนเหมือนกันฉันก็ดูแลเธอเหมือนกันไม่ได้เช่นเดียวกันว่าอะไรที่มันไม่เที่ยงเนี่ยเราจะมาเหมารวมว่าเป็นขันห้าไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันทําให้มีความทุกข์เกิดขึ้นถ้ามันทําให้มีความทุกข์เกิดขึ้นอันนี้ต้องรีบละเพราะมันเป็นตันหาแต่ถ้ามันทําให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเอออันนี้ดีเราต้องรีบทําให้มากเจริญให้มากเพราะมันเป็นส่วนของมัช อย่างนี้นะเราต้องมีการแยกแยะแจกแจงบ้าง น, น, นะค่ะก็ถ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจให้แจ่มชัดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิ ม, มซึ่งถ้าเดิ๋ฉันเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าถ้าเราเข้าใจอริยสัจสี่ชัดเจนเนี่ยอาจจะทําให้เราสามารถที่จะหาคําตอบจากเรื่องของขันห้าได้กระจายมากยิ่งขึ้นใช่ใช่แน่นอน เพราะว่าขันหเนี่ยอยู่ในอริยสัจสี่แล้วก็ในอริยสัจีเนี่ยจะบอกไว้ชัดเจนว่ากิจที่ควรทำเกี่ยวกับขันห้าเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันต่างกับมรรคแนั่นเองค่ะนะคะก็ลองไปศึกษาจากคำสอนของพระพุทธองค์ที่เป็นการเทศนาครั้งแรกที่เราเรียกว่าธรรมจักกับประวัตนณะสูตรกลับไปกลับมาใครครวนไปเรื่อยๆก็ได้ใช่ ก็น่าจะดีขึ้นทีนี้ดิฉันก็คิดว่าหน่าที่จะทําความกระจางถ้านอา จ, จะพูดไปแล้วหมายรวมถึงอย่างนั้นนะนะคะแต่พอดีคําถามของคุณสุชีพหลังจากที่ท่านได้ตอบคําถามไปแล้วในวันก่อนเนี่ยก็มาลงท้ายตรงที่ว่าอาทําทั้งหลายเป็นอนัตตาทําไมพระองค์จึงไม่ใช้คําว่าสังขารทั้งหลายครับคือคงจะหมายถึงว่าทําไมไม่ใช้คําว่าสังขารทั้งหลายแทนทําทั้งหลายถูกไหมคะอ๋อค่ะ ถ้าเราพูดถึงว่าศีล ส, สมาธิปัญญาพวกนี้นะยังอยู่ในโลกอยู่น ะ, ม, ะมีครั้งหนึ่งที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยปรินิพพานแล้วท่านพระอนุนก็เสียใจพระพุทธเจ้าก็ถามในทํามนองว่าอนนุ์และสารีบุตรเนี่ยเอาศีลไปด้วยไหมท่านพระอนุนบอกไม่ได้เอาไปสมาธิเราเอาไปไหมไม่ได้เอาไปปัญญาเาไปไหมไม่ได้เอาไปเแล้วเธอจะเสียใจอะไรเพราะว่าท่านพระสารีบุตรปรินิพพานไปเนี่ยไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปด้วย แต่สิ่งเรานี้ยังอยู่ในโลกนะสิ่งเราเองอยู่ใน <Okay. S 1> โลกทีนี้พวกเนี้ยมร๊ะแตันหาขันห้าอยู่ในโลกหมดเลยอยู่ในโลกหมดเลยมันเป็นสิ่งที่เป็นสังขารคือมีการปรุงแต่งเป็นการปรุงแต่งนะทีนี้พระพุทธเจ้า <Okay. S 1> ก็ตึงใจคําว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแต่พอมาถึงตรงที่เป็นอ น, นัตตาเนี่ยทำไมไม่ใช้คําว่าสังขารเป็นอนัตตาทํำไมใช้คําว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ตรงเนี้ย <Okay. S 1> อามามก็เคยอ่านคําอธิบายของหลายๆท่านแต่มีคําอธิบายอันหนึ่งที่อาราคิดว่าเอ่อค่อนข้างจะสมเหตุสมผล คือท่านพูดถึงเรื่องของนิพพานเนี่ยนะนิพพานเนี่ยคือมันเหนือจากเรื่องของโลกไปแล้วแต่คือมันไม่ใช่เป็นสังขารละทีนี้ถ้าเราบอกว่านิพพานเป็นสังขารอันนี้ไม่ใช่ละอันนั้นไม่ใช่ปุถุพุทอยู่แล้วนะนิพพานเนี่ยเป็น อ, s. <S อสังขตธรรมคือเหนือจากการปรุงแต่งละแต่ว่าถึงแม้จะเป็นอสังขตธรรมก็ตามนะ <t une ian> แต่ก <t une ian> ็มีเหตุของการที่จะไปสู่นิพพานโอเคไหมเหตุของการที่จะไปสู่นิพพานคือคุณปฏิบัติตามมักแปมักแ8ดเนี่ยเป็นทางดําเนยให้ถึงความดับไม่เหลืองของตัณหาใช่ไหมมันก็จะไม่ไไปถึงนนิพาด้ เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นนิพพานเนี่ยก็มีเหตุของการที่จะได้นิพพานนั้นอันนี้คุณหยมติ๋เข้าใจก่อนนะ <c oughs> กว่าที่คนเราจะไปนิพพานได้คุณต้องสร้างเหตุเพื่อที่จะไป <c oughs> ถึงนิพพานได้โอเคนะอันนี้คืออ <c oughs> ันนี้คือเข้าใจกันดีตรงนี้ทีนี้ประเด็นก็คือ <c oughs> ว่าอะไรก็ตามที่เกิดแต่เหตุอะไรก็ตามที่เกิดแต่เหตุนะถ้ามีเหตุ <c oughs> มีปัจจัยแล้วเนี่ยอันนั้นแหะเราเรียกมันว่าเป็นอนัตตาเช่นว่าถ้าเราเอาเหล็กมาประกอบกันแบบนี้หรือเอา ไม้ไผ่มาสานกันแบบนี้มันก็จะเป็นฉลอมแสดงว่าฉลอมออกมาเนี่ยก็อาศัยไม้ไผ่มาสานกันแบบนี้นเป็นเหตุของมันอันนี้คือเป็นอ น, นัตต า, เ, <ร>าเพราะฉ <Vill> ลองเนี่ยเป็นอ น, นัตตาเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นคำว่าอนัตตาเนี่หมายถึงอย่างนี้คือไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองจริงๆไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันแต่ว่าอาศัยสิ่งอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นเข า, <staff S 1> าจึงเรียกว่าอนัตตาแสดงว่านิพพานเนี่ยก็อาศัยสิ่งอื่นแล้วก็เกิดขึ้นเห<า>มือนกันคืออาศัยอะไรสิ่งสมาธิปัญญาคุณทํามาตามเนี้ย นิพพานมันถึงจะเกิดปรากฏได้แต่ที่พิเศษสําหรับนิพพานก็คือว่ามันไม่ย้อนกลับยกตัว อ, อย่างเช่นฉลอมเนี่ยถ้าคุณเอาไม้ไผ่ที่สารกันคลี่ออกมาเอาความเป็นฉลอมหายไปความเป็นฉลอมหายไปมันเปลี่ยนแปลงไปต <c oughs> ามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนแปลงได้อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นได้ย้อนกลับได้ <c oughs> หรือพังทําลายได้เปลี่ยนรูปไปเป็นอย่างอื่นได้แต่นิพพานเนี่ยพอคุณได้แล้วมันจบตรงนั้นมันจบตรงนั้นเพราะนั้นมันจึงจะพูดยังไงอ่ะถ้าจะบอกว่านิพพานเป็นการปรุงแต่ง มันมันไม่ใช่เพราะมันไม่ได้ย้อนกลับอย่างนั้นไงเพราะฉะนั้นคําพูดที่รัดกุมเนี่ยก็คือต้องบอกว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาแต่เราจะบอกว่านิพพานเป็นอนัตตาเราก็พูดได้ไม่ร้อเพราะว่ามันไม่ย้อนกลับแต่ถ้าเราจะบอกว่านิพพานไม่ใช่อนัตตาเราก็พูดไม่ได้ร้อยเซ็เพราะมันมีเหตุปัจจัยของมันก็จะหมาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้บอกว่านิพพานเป็นอนตาหรือเป็นอนัตตาแต่ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแม้แต่นิพาานก็ตม อื <Ừ. S 1> ประมาณเนี้นะอันนี้ที่อานมาอ่านแล้วทําความเข้าใจคิดว่าคําอธิบายนี้น่าจะสมเหตุสมผลค่ะอันนี้สําหรับท่านฟังทั่วไปถ้าสมมุติฟังแล้วยังไม่เข้าใจวันนี้อย่าไปเคร่งเครียดนะคะจนกระทั่งเบื่อที่จะไม่ฟังไปเลยค่อยเป็นค่อยไปแต่สําหรับคุณสุชีพซึ่งเป็นเจ้าของคําถามดิฉันเข้าใจว่าเขาคงจะอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ศึกษาคําของพระาศาสตามาพอสมควรแล้วน่าที่จะได้รับความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะดิฉันเองก็คิด เลยว่าอ๋อถ้าคิดตามสูตรคณิตศาสตร์เนี่ยพอบอกว่าสังขารไม่เที่ยงอืเป็นอ น, นิจจังใช่ไหมคะใช่ก็ตอบมาว่าสังขารเป็นทุกถูกไหมคะอืมเมื่อไม่เที่ยงแล้วจึงเป็นสมการที่จะทําให้เราบอกได้ว่าเป็นทุกแล้วทุกคนก็เลยบอกอ้าวแล้วทําไมสังขารจึงไม่เป็นอนัตตาพราะพุทธองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลยคําว่าสังขารทั้งหลายจู่ๆหายไปกลายมาเป็นท ำ, ทำทั้งหลายอืมเป็นอนัตตา นะคะก็ตามความเข้าใจของท่านพบูลและอธิบายให้พวกเราได้ทราบซึ่งดิฉันก็เห็นมุมนะค ะ, นะคะก็น่าสนใจเป็นคําอธิบายที่ที่น่าจะทําให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอคือประเด็นตรงนี้ก็คือว่าเราจะทําความเข้าใจตรงกระบวนการตรงนี้ได้เมื่อเราปฏิบัตมม 8, บิตามมาร์กแปเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาใช่เราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาไปเนี่ยความเข้าใจในเรื่องนี้ก็จะค่อยแจ่มชัดขึ้นแจ่มชัดขึ้น จากการที่จิตเรามีสมาธิจากการที่ปัญญาเรามีปัญญากําลังมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีในสิ่งที่กําลังสนทนากันอยู่ในขณะเนี้เราสามารถทําความเข้าใจได้ในระดับหนึ่งโดยการศึกษาโดยการเสพธทำโดยการใคร้ครวรทำแต่ถ้าจะให้เข้าใจายอย่างกระจ่างแจ้งต้องปฏิบททัติทำควบคู่ไปด้วยถูกไหมคะเนี่ยถูกต้องถูกต้องแล้วการปฏิบัตินั้นก็คือปฏิบัตตามศีลสมาธิปัญญานั่นเองง่ายมากค่ะนะคะที่ท่านไปียบุญได้ แนะนำเราเป็นประจำในตอนต้นของรายการเนี่ยให้ทำไปเรื่อยๆทำแล้วไม่มีสมาธิท่านก็บอกว่าก็ต้องทำต่อไปไม่ใช่หยุดเลยเพราะไม่ได้หมายความว่าการกระทำของเราไม่ก้าวหน้าือเกา<ร>ต้องทำ <ละ S 1> ต่อไปใช่เป็นปานนะคะค่ะก็คิดว่าคงจะได้ความรู้กันพอสมควรทีเดียวแต่ไม่เป็นไรนะคะเรื่องนี้จะมาพูดซ้ำกันอีกในโอกาสต่อไปคะ่ะถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจ กราบนวัส ก, การขอบพระคุณท่านเพรื่นนะคะโรงพยาบายนวัส ก, การค่ะค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะธรรมะข อ, ะามมาองพระาศาสดานั้นบางคนเนี่ยเขาถือว่าเป็นการที่เมื่อไคร่ครวญแล้วถ้าใช้ภาษาปากชาวบ้านธรรมดาบอกสนุ ก, ส น, กสนุกนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาพระพุทธองค์ท่านเพรื่นเตือนอยู่เสมอว่าให้ใช้คําว่าร่าเริงในธรรมบางคนบอกคุยอะไรก็ไม่สนุกเท่ากับสนทนาในเรื่องคําสอนค่ะแต่ ท่านที่ยังรู้สึกว่ายังไม่สนุกเพราะยังไม่เข้าใจฟังไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ทีละเล็กทีละน้อยก็จะได้พบว่าไม่ใช่แค่เรื่องราเริงในธรรมนะคะแต่มันจะเกิดประโยชน์ในทางที่ทําให้เราทุกน้อยลงได้วันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะติดตามรับฟังรายการสัมมนาสนทนาดําเนินรายการโดยสัมม น, นาคพงได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะผู้ทว่าสวัสดีค่ะ